คนหลังค่อมแห่งนอร์ดามกาลครั้งหนึ่งในปารีสรัฐมนตรีฟรอลโลได้ออกตรวจตราความสงบตามถนนภายในเมืองเมื่อเสียงตัดความเงียบสงดในเวลากลางคื น, นทุกอย่างเรียบร้อยดีพวกคนอยู่ในบ้านท้องถนนไม่มีปัญหาใดทุกอย่างราบเรียบดิอ๋อ้มันเสียงอะไรนะ น อ, นอะไรอะสบายข้าเลยมานี่อะไรเนี่ย <l ug> เขาเน่าจะอยู่กับข้าได้นะบางทีสักวันก็อาจจะมีประโยชน์ก็ได้และก็เป็นเช่นนั้นฟรอนโลตั้งชื่อเขาว่ากอซิโมโดและให้เด็กชายอยู่กับเขาแต่ฟรอนโลมีจิตใจชั่วร้าย <l ug> เขาไม่ได้รักเด็ก และกาซิโมโดไม่ได้เป็นแค่ทาสของรัฐมนตรีฟฟลโลเท่านั้นเขายังไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากหอระฆังนอต ด, ดามกาซิโมโดมีเพื่อนพิยงคนเดียวในโลกกว้างก็คือนกที่บินสูงบนหอระฆังและคอยมารายงานข่าวให้แกเขาเฮ้ hey! นายน่าจะเห็นการเตรียมเทศการทั้งหมดของคนโน้นข้างล่างนั่นบอกทีสิมันเป็นยังไง นายท่านอยู่ที่นี่ออกไปก่อนนายท่านข้าหวังว่าอาหารเที่ยงพร้อมแล้วใช่ไหมและคราวนี้ซุปคงจะไม่ไหมใช่ไหมไม่นายท่านวันนี้ข้าระวังอย่างดีเลยแล้วเราจะได้เห็นกันทำไมเจ้าไม่รีบเสิร์ฟมันอีกได้เดี๋ยวนี้เลยนายท่าน เ, เร็วเซ่กาซิโมโดข้าไม่มีเวลาทั้งวันนะ ข้าต้องมีการประชุมที่หวยแตกสำหรับเทศกาลคนโง่ที่จะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้เป็นการเสียเวลาที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีเทศกาลคนโงออ่ที่มีขบวนแห่ขนาดใหญ่ร้องเพลงเต้นรําและมีโชมมายากลของทายิปซีใช่ไหมท่านแกคงไม่ได้คิดอยากจะไปใช่ไหมและแกรู้อยู่กับเทศกาลมากขนาดนี้ได้อย่างไงข้ารับรองนท่าน ข้าไม่เคยออกไปจากที่นี่เลยข้าแค่เห็นมันจากบนนี้นะ่ะดีลายยาคิดจะออกไปจากที่นี่นะน้ำหน้ายัางแกเนี่ยผู้คนในหัวเราะและก็ทำร้ายแก่แน่หลังจากหลายปีที่ข้าเลี้ยงดูแกอย่าทำให้ข้าต้องผิดหวังละ่ะและอย่าบังอาจทำให้คนอื่นหัวเราะข้าด้วยการออกไปโฉบหน้าตาที่น่ารังเกียจของแกในที่สาธารณะครับนายท่านดี ซุปรสชาติดีนะแต่ว่าใส่เกลือเยอะไปหน่อยแต่ก็ดีแล้วตอนนี้ขาต้องไปประชุมจะมีนายพลคนใหม่มาวันนี้การเป็นรัฐมนตรีช่างยุ่งยากจริงๆเลยเอาใจร้ายจังเขาพูดถูกนะไม่เขาไม่และซุปนั่นมันยอดเยี่ยมแล้วไม่หรอกลองดูซิมันอร่อยมากเลยลองซิ <S <S มันดีมากเลยและเกลือสมบูรณ์แบบแล้วนะเห็นไหมพระเดร์ไม่ถูกเสมอไปความจริงเขาไม่เคยถูกเลยเป็นงานเทศกาลกันดีกว่าข่าไปไม่ได้มาเถอะเขายุ่งมากเขาไม่สังเกตเห็นหรอกฉันจะพานายไปในที่ที่ไม่มีคนเห็นนายแต่นายจะเห็นทุกคนอย่างใกล้ชิดเอายังไงล่ะว่ามันเลยถ้าไม่รู้สินายกับฉันจะไปเทศกาลพรุ่งนี้ ดังนั้นกาซิโมโดตัดสินใจที่จะไปเทศกาลและขณะดเดียวกันนายพลคนใหม่ก็มาถึงที่ปารีสขออนุญาตเข้าไปทารัฐบนตรีอ่าในพลฟีบัสขอต้อนรับสู่ปารีสนะคุณมีงานที่ต้องทำตามท่านรับสั่งครับท่านรุ่งนี้พวกเราจะจัดเทศกาลกับคนโง่ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมกษัตริย์ชอบให้กากลังใจพวกนักร้องแร็ป พวกยิบซีที่แสดงมายากลและการเต้นดับบับบ้านเสียเวลาเปล่าคุณต้องคอยตรวจดูว่าพวกยิบซีนั่นไม่ทำผิดกฎหมายหากจับคนที่ขโมยและทำผิดกฎหมายได้อยา่าเมตตาต่อพวกมันอย่างที่ท่านพูดครับท่านมั่นใจได้เลยพรุ่งนี้ข้าจะทำให้ไม่มีอะไรผิดพลาดในเทศกาลออกไปได้แล้ววันแห่งเทศกาลก็เริ่มขึ้นผู้คนเริ่มรวมตัวกันในใจกลางเมือง หญิงชราคนหนึ่งกำลังเดินไปร่วมงานไม่เห็นเหรอจะรีบไปไหนเนี่ยกล้าพูดกับรัฐมนตรีของเราแบบนั้นได้ยังไงเนี่ยขอโทษซะขอโทษเหรอพูดง่ายนี่รัฐมนตรีของคุณนู่นที่ต้องขอโทษหญิงชราคนนี้เกือบถูกฆ่าแล้วนะกล้าดียังไงนางยิบซีทหารจับนางซะ ขณะเดียวกันกาซิโมโดและเพื่อนของเขาก็มาถึงเต็นท์ที่ว่างเปล่ารอบๆงานพวกเขาสามารถซ่อนตัวและดูงานเทศกาลได้มันช่างงดงามวันนี้เขาจะสวมมงกุฎราชาแห่งเทศกาลเจ้ารอดูได้เลยเจ้าได้แน่ไม่มีใครแข็งแรงเท่าเจ้าอีกแล้วและถ้าเจ้าไม่ชนะละ่ะพระเจ้าจะช่วยคนที่ชนะ สุภาพบุรุษสุภาพสตรีแห่งปารีสตอนนี้เราขอนำเสนอการแข่งขันที่ทุกท่านรอคอยการครองมงกุฎราชาแห่งคนโง่กาซิโมโดมันกล้าดียังไง เรามีอะไรนี่โอ้จังเป็นใบหน้าที่น่าทึ่งกล้กรบเมื่อกี้ด้วยเรามีราชาแห่งคนง่ของปีนี้หรื อ, อยังใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วใช่ใช่แล้วเธออย่างนั้นก็แห่แหนเข้าเลยดูไว้นี่คือราชาแห่งเทศกาลของคนโง่เจ้าซิงนั่นไม่ควรจะเป็นราชาแห่งเทศกาล พอได้แล้วมีความเบิกวามนี้ซะผู้หญิงคนนั้นจะกล้าหันนั่นเป็นผู้หญิงที่น่าละอายในผลฟีบัสจับกุมเธอเดี๋ยวนี้เลยเออข้อหาอะไรท่านนี่เจ้ากล้าขัดคําสั่งข้าเลยจับกุมเธอซะนายไม่เป็นไรนะคุณทั้งใจดีกับข้าข้ามันน่าเกลียดใครบอกว่านายน่าเกลียดนายแค่แตกต่าง แต่เราทุกคนก็แตกต่างจากคนอื่นไม่ใช่เหรอเธอถูกจับกุมแล้วไม่เธอไม่สมควรข้าไม่ปล่อยเจ้าลงโทษคนมีเมตตารอกหน้าแต่มันเป็นคำสั่งท่านรัฐมนตรีนะจัดการเขาและอย่าปล่อยผู้หญิงนี้ไปได้ตามค้ามาขารู้ที่ที่คุณจะปลอดภัย กาซิมโดพาเอสมารลดา้ามายังหอดครังของเขาเพื่อซ่อนตัวคุณจะปลอดภัยที่นี่อ า, อาหารคุณคงจะหิวซุปของข้าใช่แล้วโทษทีนะโอ้ โ, อ โ, อโอทษทีอ้ความน่าอึดอัดที่น่าคนลุกของความรักอย่าไปฟังเขาเลย <c oughs> นายช่างอ่อนโยนซุปนี้อร่อยมาก กาซิโมโดกำลังตกหลุมรักกับคนคนเดียวที่ทำดีกับเขาเขาขอบคุณมากที่มีเอสเมาราลด้าอยู่ด้วยแต่วันหนึง่งวันหน้าทหารในเมืองปารีสในคนฟีบัตได้พยายามก่อกระบฏและต้องถูกลงโทษในพรุ่งนี้เช้าเจ้านกบินมาหากาซิโมโดและบอกทุกอย่างให้กาซิโมโดกับเอสเมาราลดาฟังอ้อนั่นเป็นเพราะฉัน ฉันต้องไปช่วยนายพลแล้วไม่นะทั้งหมดเป็นเพราะข้าข้าคุณอยู่ที่นี่ไม่ควรไปที่งานเทศการเลยแทนที่จะเลิกโทษตัวเองมันจะดีกว่าไหมถ้ามาคิดหาทางช่วยนายพลนะบางทีฉันน่าจะไปถูกจับแทนไม่ได้ไม่มีทางข้าไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นเราต้องไปช่วยท่านนายพลตามข้ามากาซิโมโดเอสเมรัดาและเจ้านก ไปยังที่ที่นายพลฟีบัสจะต้องถูกรับโทษในวันพรุ่งนี้เช้าในใจกลางเมืองทันทีมาเป็นไหมเป็นแน่นอนทุกอย่างพร้อมแล้วสาหรับวันพรุ่งนี้กลับบ้านไปพักผ่อนกันเถอะเช้าวันรุ่งขึ้นประชาชนมารวมตัวกันเพื่อดูว่านายพลฟีบัสจะถูกลงโทษสาหรับการช่วยเหลือผู้หญิงที่บริสุทธิ์และเพื่อนของเธอหรือไม่นายพลฟีบัส ท่านจงใจจะขัดคำสั่งของข้าและช่วยเหลือผู้หลบนี้ให้พ้นจากกฎหมายท่านมีอะไรอยากจะพูดไหมเธอไม่ใช่ผู้หลบนี้เธอเป็นหญิงสาวบริสุทธิ์ที่พยายามจะหยุดความโหดร้ายกับเพื่อนมนุษย์ข้าจะให้อภัยท่านถ้าท่านยอมขอโทษลงโทษข้าเลยถ้าท่านต้องการแต่ข้าไม่ได้ทำอะไรผิดข้าแค่ทำตามหน้าที่ทหารปกป้องผู้บริสุทธิ์ งั้นก็ได้ทหารจัดการเข้าซะทางนี้แล้วเข้ามันไปทางนั้นแล้วจะโ ง, ง่เอ้ยกาซิโมโดเอสเมราลด้าและนายพลฟีบัส ควบมจนออกมาจากเมืองปารีสแต่ฟรอโลและทะหารของเขาก็ไม่หยุดไล่ตามพวกเขาใช้เส้นทางลัดจนทําให้ไล่ตามและจัดการได้ทันพวกเจ้าคิดว่าจะหนีไปจากข้าได้อย่างงั้นเหรอท่านจับพวกเราไม่ได้ที่นี่เราไม่ได้อยู่ในปารีสแล้วแต่ว่าเจ้าถูกนำไปปารีสได้และเจ้ากาซิโมโดหลังจากข้าเลี้ยงดูและดูแลแกไอปีาศาจแกทรยศ ถ่าอย่างนี้นั่นแหละขากแกตกต่างอย่างที่พวกเราเป็นและท่านเก็บข้าไว้แต่ในหอระรังทาเหมือนข้าเป็นาทาสท่านกล้ามากนะนายท่านจบพวกมันซะทหารของฟรอลโลกาลังจะจับกลุ่มพวกเขาเมื่อพวกเขาได้ยินเสียงของกองทัพใกล้เข้ามาพวกเขาเห็นว่าเป็นจกักรพรรดิลุยที่สี่โอฟาบาดมีอะไรกันเหรอฟรอลโล เราจะบอกท่านเองฝ่าบาทเอสเมาราัดาบอกทุกอย่างแก่จักรพัทจักรพัททรงผีโรดและจับกลุ่มฟรอนโล <c oughs> เอสเมาราลดา่าฟีบัตและกาซิมโดเป็นอิสระอีกครั้งดีพวกเจ้าทั้งหมดเอาเป็นอิสระและ้วและท่านไหนพลข้าหาใครสักคนที่เหมือนท่านมาปกครองปารีสอยู่ลองคิดดูนะพวกเธอช่วยชีวิตฉันและนายก็ช่วยชีวิตพวกเรา เราไม่ได้พบกันอย่างเป็นทางการสวัสดีนะท่านหญิงข้าคือในพลฟีบัสและเออคุณผู้หญิงคนสวยสวัสดีฉันเอสมเมราลดาในพลและคุณเออคุณคือเขาคือกาซิโมโดเป็นเพื่อนสนิทของฉัน